Na'mudatsa, aqawatu, arahato, sama, sambutatsa, na'mudatsa. Aqawatu arahato, sama, sambutatsa. Na'mudatsa, aqawatu, arahato, sama, sambutatsa. Buddhu pagipanno kawattu avakatthangko ehi vimatsa dhamma karilayassa atthu tathāyakkhamanti sakkaccam sammo sotaputti khit samdai sadaeng ธรรมะเป็นหนองความอะไรก็นั้นจงอย่าได้ทรง พยายามมุ่งจิตใจคือพรุลูกจิตใจคือพรุเหมือน ที่ไม่ถูกต้องกับการปฏิบัติในการสังขริด อาจารย์อาไตยนุซึ่งนั้นไม่รู้ที่สร้างอยู่ <Darwin> อิติพรุกะได้แก่กายตลอดทั้งนอกไกล ละโอคือละโยสะนะอุรตนอาดะสัมปะฏิณีคือปฏิบัติโดยอะไรคือ <icana>